อตีตาล่มอตีตาแล้มนานาธรรมาอตีตาล่มเชีงไดที่มันเป็นบุญมันก็สะไดเอามาแล้วลึกถึงมันก็เป็นบุญเขื่อนอนาคาตาแลมวมาหนาธรรมาอนาคตาล้มมาเขื่อนมืออื่นขันยู่ดีไม่แห้งกุจิเหตอันนั้นอันนี้ในท่งกุศลบ้นบุญมันก็เป็นบุญเขื่อนบ้านถึงกระซางเม่นอดีตอนาคตเวร่าภาวนา ตั้งสม า, า, าธิเพ่อนาว่าห้คืดเท่านั้ น, นอ่ะเวลาอยู่ทีซื้ออยู่ที่การเพิ่มโมหายวานี้เพิ่มปรหามนี้ตั้งสมาธิเพื่อนางว่าหายคดถึงอดีตอ น, น, ตพนธเพื่อนคเท็จตะเป่าอันตัง้งด้วยนี่เท่า น, นั้นเองดอกขันธีได้รึถึงอดีตอนาคตกบ่ดมันเพีวดมันกับ่เมน้นสาตตกอนห้าเป็นอันนั้นตตะกอนห้าเป็นอันนี้เพื่ออะไรไปนีเป่เนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดีก็สิได้เอามาเป็นอย่า ง, งานเนงมันสวก็สิได้ชิม ม, มืออื่นมือห <bel world mentality hết> ื ians, ่อนี่เท่าจะให้จังสั <được> ่นเท่าจะให้จังเสีอันเพิ่นหามได้แล้วเขาสมาธิน่ะรอกันเนี้คนเท่าเขาจะสมาธิเยอะใหญ่เนี่ยบวไปเป็นทาไมได้กินบวชหรอเย่าเขาได้ไหมบวดขีขีข้าหันหมกเขาสมาธิยางสูงนะพระพุทธศาสนาเมือท่านก็ถอนออกมาเพราะมันอยู่ใต้อำนาจอนุจังสมาธิเพิ่นเทศเพิ่นตังนโม แล้วกับพระนกกระทู่มเฮ้าตังนโมยุเรื่อยอยู่เฮ้านโมแปลว่าขอนอ้อมแดพระพวกพี่พระภาคอราหันตะ ส, สัมมาสัพพตะเจ้าพระองค์นั่นขอน้อมแนบนโมเนี่ยคือหมายความอะไรหนหน้ามโมเดียนมาสั่นเพนวันท่านยั่ ว, ม, วมเข้ารอบขันเฮ้าเข้ารอบเข้ารอบอย่เข้ารอ บ, บังไงเข้ารบด้วยกายคือบทเท่าท้ายคือบรเห็ุทัศนี่เดี๋ยวก็มีนโม คือตัชี้เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่มังคายผู้นั่งรถรัดเข่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่มังคายผู้พันศีรษะเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไมังคายผู้คุมศีรษะเรานั่งอยู่บนแผ่นดินจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่มังคายผู้นั่งบนอาสนะเรานั่งอยู่บนอาสนะต่ำจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่ังคายผู้นั่งบนอาสนะสูงเรายืนอยู่ที่เสือหัดธแก่คนมังคายผู้เดินไปข้างหน้า เราเดินไปนอกทางจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้เดินไปในทางเรายืนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ท่ายืนทั้งสองทางไม่เป็นไรถ้าเป็นไข้เขาไม่เป็นไรเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้มีร่มในมือมีไม้พรองในมือมีสาตราในมือมีอาวุธในมือสวมเสียงเท้าสวมรองเท้าไปในยานอยู่บนที่นอนนั่งรัดเข่าพันศีรษะคลุมศีรษะเรานั่งอยู่บน แผ่นดินจะไม่แสดงธรรมแก่คนมันไข้ผู้นั่งบนอาสนะสูงเราเรานั่งอยู่บนอาสนะต่ำจะไม่แสดงธรรมแก่คนมันไข้ผู้บนอาสนะสูงนี่มันโค่นอันพูดอันนึงขัはは้นดินอันนึงอาสนะต่ำเรายืนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่คนมันไข้ผู้นั่งอยู่เราเดินไปข้างหลังจะไม่แสดงธรรมแก่คนมันไข้ผู้เดินไปทางหน้าเราเดินไปนอกทางจะไม่แสดงธรรมแก่คนผู้ไม่ไปไข้ไปในทางนั่นั่พระพุทธเจ้าภูมิมัดิเห็นบอก ที่นี่เรียงนโมขั้นมาว่าอีกนโมว่าจา้างามประเทศก็ถืออกซุบซุบซิบวมาขวงนี่เข้ารับว่าจ่าเนี่ยเข้ารับใจงามประเทศฟังไปตามกระแสของประเทศเว้นไว้แต่เขาสมาธิเว้นไว้แต่พี่เจ้าวยู่ศาสนาของเตอพนมยเว้นอันนั้นโมเรียงบ้านเรียงเมืองพุ่มพิม พ, พ, พ, พ์มาสวนเพิน่นเปิดมาชาตินานเป็นคนหูนหวนวกเพิ่นมาเทวบุตร สุปฏิที่ตาเป็นคนหัวหนวกเนี่ยละห่าร้อยศาสตร์เป็นเท้าบุตรยังเกิดมาเป็นคนหัวหนวกเป็นคนตาบอดเป็นคนเปร้ยวข้นคอมเหตุฉนัยึงได้เป็นเป็นเท้บุตรเพราะเอเวอา์จักตายระลึกถึงกุศลพ้บุญของตนที่ได้สั่งก็เลยตายไปก็เลยจะไปเป็นเท้าบุตรแต่ว่าหนีเก้ายังยั่งอยู่หนีเก้าที่ทําบาปแต่ศาสตรมนุษย์นี่ สวยอันนซ่องอันนั้นแล้วจังมาเป็นสุปติทิฏตาเท่พบุตรในประเทศเรสตะเกอจะเป็นเน่นจะเป็นได้ในช่วงชิบเก็ดชิบแปดปีพมาเดีสาดูลาเจ้ากูต้นหาถุกบันไดแต่ว่างนันวายเจ้ากูก่อจักตายในวันตวนเจ็ดนั่นแต่แรกว่าสั่ง ถ้าหากว่าเจ้าตายแล้วจากได้มาเป็นหุ่งเป็นแหงเป็นเตาเป็นหมูเป็นหมาเป็นคนหูหนวกตาบอดประมาณว่าได้สิ่งละหาห้อยศาสแ่ดีดีแล้วสั่งได้อ่านน้มันแมนปัญญ์เพื่อไปแปรมาเป็นคําไทยจะซื้อได้ผลลืมคำเล่าจะซื้อได้อันเมื่อนี้อ่เอาหนังสือเมื่อนี้ได้ไปแปรไหมวะในกรุงเทพผลมาเป็นคําไทยจซื้อได้ผลมาลืมจะซื้อหรอกก็ที่ได้เป็นคนหูหนวกกันเกิดมาแล้วเนี่ย พระว่าศาสตรก่อนเขาไปในวัดเนี่ว่ามันกับพตั้งใจฟังเทศฟังธรรมเพลิน ม, มันเอาเอ า, เ, า, เ, าเรื่องบ้านเรื่องเมืองไปว่าสันมันเอาอะไรไปค้นหูหนวงวะสันเนี่ยเอาไหาห้อยซาดวานมันค้นตาบอดเนี่ยมันไปเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ไปเป็นท่าบาทมันเห็ดโมโหเห็นมันเข้าไปอยู่ในเฮือในซาดมันนีมเดาพระเจ้าพระสงฆ์ว่าไกยไปมันกับพออกมาวะสันนี่ไปค้นตาบอดอยู่หาห้ยซาดวะสัน มีบ่มีมันก็บ่บอกเพื่อนนายสันกับเพื่นอนเมื่อนี้ไหนมันขเบรถเห็นพระกลายไปในบ้านนี่ยมันผิดมันรดมันเข้าไปในเฮี้ยนรอดนะสันเวประตูรดลดสันมันผูให้เพื่อนนายสันมีหน่อยก็ต้องหายน่อยไม่ไรก็ต้องหายไรนเป็นข้ตาบอดอยู่หาห้อยซา่าดนสนเพื่อนว่าน่ะในเมื่อก่อนวันนั้นจะเอาไข่นกลาลูกนกไข่พัดผ่าจากแม่แห่งเขาตัดสมาเหตุ ด, ดังนั้น จึงได้เป็นหุ่งเป็นแห้งเป็นเก้าเป็นหมูเป็นม้าเป็นคนหูหนวกตาบอดได้ขาเนื้อขาป่ากองไว้กระเดินกระเดินไว้สั้นเนี่ยแลวหาห้อยชาดหาห้อยชาดนะสั้นแล้วท้ำดวงไรอัชย์มาพระไถ่บุตรตัวนี้เดีลงไปเกิดไน้มนุษย์อีกสีมีบ่าสั้นเทวบุตรเทวดานไปหาพระอินพระเอ็นก็บอกว่ามีอยู่ไปหาพระองค์เก่าสักไปสั้พระองค์เก่ากขาลังเทศเอาแม่มานดาอยู่สันดาวดึงเดียวหน่อยั้น ไปหาพระอง์เก้า์พอเกีดวันสียได้ตายลงมาธรรมดาเที่ยวดเที่วดาเสียโรคเดือดร่องมานี่นิมิตหลายประการเลยรักแร้รักแร้เกิเป็นเหงือเป็นไข้กายโย่ทุ่งวันโน่อันว่าสีก็เสาร์บ้องเสีย่ะสิศีของเพลินศีล ส, สารณะของเพลินเสาร์บ้องเสียเหงือกไข้ก็ไหลออกจากตัวที่นอดงอนมุ่งกับไข้คือบักตำแงนี่ว่นาดอกไม้ทิพย์อันตนทัดท่อง ก็เสามองเสียวสันัจกจะมาพูดเท่ยบุทรเที่วดาองไหเป็นยังสันรักอะได้ลกมาเกิดเป็นห่งเป็นแห่งเป็นเต้าเป็นมะมเป็นม้ดังว่ามาแล้วน่ะท้าดวงไหนได้สิมาว่า่าหาลกมาเกิดนี่วะสันสิผาวานายหันต่ออีกวะสันต่ อ, อยังใ น, นสันสวรรค์ก็ยไปหาพระพุทธเจ้าถ้าไปวสันไม่พูดได้ทีว่าไว้พระพุทธเจ้าเระให้ถึงพระพุทธพาถ้มพระสงฆ์ต่อไปวะสัน ให้มอบกายถวายชิวิตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกเมื่อผูกขาดจังผาดต่อไปอีกสาวทันหายพระวนาสักกระตัวพุทธรรชนั่งโอษฐ์ังฆตมังวังห้เฮียนวาอธิุณหศรสยวัฒโมโรเกนุตโรสะัสตาเหตถายะตังตวังกันหาหิเทวเตปริวัเทราสัทเถอมนุษเสกนามมเกพยักษเคนาเเควิเสผูเตการมาเนจัก สัพพสมามนานามมตโตทาเปิดตัวอาการมานิตังตัดเสวะอนุภาเวนะโหนตุเทวสุขีสัพพ ท, เทาเทวเตดูราเทวดาทางหลายอัน ญ, ญายังดูกูมาใหม่ได้ภัยพยนอมตัวหนมันไปันเลยอธิบายตัวนบเนี่ยอธิบายว่าพระองค์เจ่าว่าให้ถึงพระพูดธธรรมพระสงค์ระสรตลอดชีวิตสให้ต้ออีกบุญให้พระวน า, าพุทโธ อ, อีก ผู้นั้นก็ได้ตั้งใจปฏิบัติตามยังมาท่านเนีมาเกิดเดี๋ยวนี้เสีมากมากลงมากเกิดเพราะภาษีเมตไตาสีได้เป็นสาวกพภาษีเมตไตาตอรหันตาโตผู้หนึ่งนั่นนั่นเหตุจากไหนพวกไปสั้นดาวดึงจึงท่าบุญสร้างต่ออีกเพราะว่าอยากลงมาอีกนั่นท่นเนี่ส่วนสิ่เป็นมูเป็นมาเป็นเป็นเป็นไก่ได้บ่ได้ลงมา นต่ออายุเยอะพุนพระเจ้าแม่เกิดน้ำภาษีย่อมตอ็ดใจเลกสิได้เป็นพระนันก็เลยไรปุ๊บช่วนี้ก็เป็นอาวุธชิกรมไปว่านเถอะนะคือกรรมให้ลนําเร็้แล้วนั่นนั่นนั่นนั่นั่นมโตที่ประมาณบวบุญชิมัตเเลียได้เลียงไ ด, ไดย่หันบวพุ่นมาบ่ท่านมากาเข้ารบด้วยกายกับหงจักและนะ้วเนาะเข้าร บ, บ, บด้วยใจกับหงจักแล้วเข้ารบด้วยใจกับหงจักแล้วเวียนไหวตั้งกับพาวนะพานาฮะนี่ย กระทู่ฮะนี่ยกกระทู่ผู้เทศก็เอากระทู่เทศผู้ฟั่งเอากระทู่ฟั่งผู้เทศก็เอากายไหว้กายกายเทศเนี่กระทู่กายกระทู่ไว้กายกระทู่กระทู่ใจผู้ฟั่งเอากเอากายไหว้กายกายฟั่งกระต้างคนตังนี่กระทู่แล้วเนี่ยจอ้างใสอีกกระไรก็ดีอนั่นขัดไปทั้งบาบังก็ไปกระทู่บาไปไปทั้งเวรก็ไปกระทู่บุญฮะนี่ย่นกระทู่ลงมาเป็นกระทู่ใจฮะเนี่ยกระทู่ทู่ใจอันเดียววะเนี่ กันไปทั้งบานก็เป็นบาปกันไปทั้งบุญก็ไป็นเป็นบุญกันไปทั้งหน้ผัวนี่พ่านก็เป็นหน้าผนี่พานกระทู่อันนั้นบอกของฉันว่านี่ว่าเพื่อให้เขาใจง่ายเน่ยว่าเจ็ไปติดแ ก, ก่กระทู่คันบกพริบไม่คัดถบอว่าอัตมาภาพอัตมาแพบคัดถืว่าเอามันกับว่ามีนทว่าพระพุทธเจ้าครงพระเจ้าไม่บอกอัตามาภาพคัดของวัไดีพ้พระกรเทศหล่นดัวนั่นอันนี้มันแตงถึงได้เสื่อรักแตงเพื่อให้มันสละสระสรวยเพื่อให้ ทั้นสังคมนี่สิติดปิญาณเกดอกอะไร่กิได้ปญาก็ยัดเข้ามากายาว่าใจาาใจของแม่ปฏิไปติดหนังสือภายนอกตายไปจะไปไปเป็นบุ้งเป็นน้อนจอหนังสือโยบุญบอกน่นนั่นนั่น่ี่่ะพระไตรปกจักบอกขาสแขนสองหัวนึงนั่นเทศเจ้าชีสะพาพระศาก็ออกไปจากนี่ะออกไปจากร่างกายเานีะ ไม่ได้เอาออกไปบนอื่นนี่โค้งลงมากกับมห า, หาร่างกายท่านนี่แหละเห็นแล้วสั้ น, นพระเจ้าพระสงฆ์ผู้เพลินไปพระวนาพเพิ่งจะมาได้แบกข้ามพี่ไปนะของเอาข้ามพี่นี่ไปแล้วชีวะชีว ะ, วะจนขัมพี่ว่าแม่เนี่พยพัะไตเปรกอยู่นี่สามตู้ขุนด้วยนี่ผู้หญิงช้างสายก็มีสยามรัดก็มีน่ากับสรองกรุงเทพมันก็มีนะสามจอบขนอนนนนไไน้วยไดนไหม่ถยนต์มันไา้เนี่ย ไม่ได้ฉุหนังสือไม่ได้ฉรรุปฏิญญาปั้นไหนเลยปฏิญญาก็ยัดเข้าที่กายวาจ า, าใจปฏิบัติก็ปฏิบัติกายวาจาใจปฏิเวศก็คือผลของการปฏิบัตินั่นศัทธรรสามปริญญาศัพท์ธรมคือคําสั่งสอนปฏิบัติศัพทธรมคือปฏิบัติตามปฏิเวศคือผลของการผลของการฟังผลของการปฏิบัติสุดตามมณยปัญญาเรียกว่าผลของการเรียกก็มีปฏิเวศ exactly. เหมือนกันคือผลของการฟัง กินตามายะปัญญาเพอมาพิจารณาอีกก็เป็นผลอีกภาวนามายะปัญญาชัดลงไปอีกนั่นปฏิเวทก็คือผลผลของการปฏิบัติปริปฏิบัติปฏิริยัติเป็นสองคือทางดำเนินนุจักรองให้ล่วงรู้ปองยังโรคดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนนุนจมงนบทมจำนวงด้วยกิจและกายวายกานะคยเลยวายเลจะเขาลงเรียนจะมมเกี่ย่วมือนี่่ได้ยิน เฉพาะลูกหลานมันบอกง่าสยสอนง่าย ก, กันแหละเมได้ยินเสียงไหวพระเจ้าเลยเว้ยมีออนซอนนั่ น, นตกขี่มาอะไรคนจังไรมาห่วมกันในสมัยนี้เออผลของกรรมนั้นมีโยนที่กอมันสิปฏิเสธพระพุทธศาสนาบุญเลกรรมแล้วผลของกรรมพระพุทธศาสนาเอามาเลยศาสนาใ ด, ดๆก็มอดเดีบัญญัติกรรมแล้วผลของกรรมถือคือพระพุทธเจ้าห่อ ปานนั้นสมแข่งดีก็ว่าพระเจ้าเมื่อักบัตายก็เม่อชักบัตรจิมหายเบียดเบียนเท่าไรเบียดเบียนพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เท่าไรแหงตําลงตําลงแหงบานนาทั้งตําลงพ่อพีแม่กูเอ๋ยนั่นนไผคือกันห้าคือกันเพลินคือกันจิ้มนับมือตําลงนกย่อพระพุทธศาสนาเท่าไรยิแหงนับมือสูงขึ้นแหงอาถารพ์ว่าอย่างไรสั่นเวสาระจะกันละทำคือทากรรม ความกล้าหาญหลอย่างศรัทธาเชื่อสิควรเชื่อศีลรักษากายวายาใจเรียบร้อยคนเท่ามันอาถรรพ์ทุกคนให้อาหารพ์ทั้งดีจะของแคไปอาถารพ์ทั้งควบสัวผีสิมาสอนดีบพระเจเ้าเขาไม่บออันชาตเลขบลาอันว่าวเถึงมักฝนนิพพานนี่สันผ่านอย่างเขาไว้สดอกเลขกับว่าเศ้าเรียนเออแล้วก็โตนั่นโตนี่ อันนั้นอันนี้แล้วบางว่ามดกนี่พลาดผลสันพลาดนี่เขาว่างซิไกยกระนนอสองจึงน้มเจงิเจงนพันกไปกระโดนเข้ามือกูเพ่เห็นเพื่นว่านี่ะกูภาวนายังได้ท่านั่นท่านี่สูนี่นั่งแล้วท่าได้ทด่านได้ตยย่าทไมเล่นเลี่นพ้ายอยู่ซับเก้าห์เนี่ยไม่ได้หลบุญยังเป็นโรคกี่อยู่เช่าเล่นเลี่นังเป็นโรค ก, กุตะลัังเม่นกูบาจบก า, บาที่กาเียมพูมเนี่ยเนี่ พระก็เฮือกันเนนก็เือกันบนยินดีนเลยนผาจังมันพระเจังมันเนนเนยังยินดีเลดนผาอยู่ว่ามันพระมันเน้นเน่แพรแน่วเขาผูกไว้ตลาดนั่นข้าเขาเข้ามัยักษ์บ่ขนผาเลี้ยงมันเป็นพระเปนเนนมันยุอึดบ่ยุติเกสรางเอาเถอเมื่อก็มีนตัวนั่นนั่นนั่นไปไหก็นั่นใส่ไกผู้ฟังนี่นั่นใส่ผู้ ถ้าว่าน่าผู้ฟังใช่ผู้ว่าผู้ฟังมูเฮ้ามาถึงพระธรรมพระสงค์ใช่ผีตัวไหมาถึงนั่นกัพี่ยางน่าได้เราบอกมูเฮามูเฮ้ามาเท่าเลียนเลขใช่ผีตัวไหนมานะนะเท้ากันนะันเลข ก, กันเอาเลขเข้ามาในวัดแนว่ามาผูกเอาเลขนําพระเจ้าพระสงฆ์มันกับพระปานที่ข้อพระพุธทธเจ้าทนไร้ใช้หัวเนี่ยเขายาเอาซ้าเราบอกโคหัวซ้ำเราบอกนะ่นบาป เอาพระพุทธเจ้าไปล่งตมล่ำบางไฟโตเมื่อคืนบางไฟ่โตเมื่อคืนเอาพระพุทธเจ้าไปล่งตมล่ำเอาพระพุทธศาสนามาเป็นสนามเรขสนามผาสนามวัด ส, สนามเบืออิพอยแม่กูเอ้ยล่องมอระหกทวนเทียนทวนเทีย น, ท, ท, น, ท, น, ท, ท, น ท, ท่านาเปพูดถึงสิ่งซึ่งทำสันผ่านนี่เขาวะ่ะอืมว่ า, าวันนี่แหละคลักป้อบานของมันของยกพี่ ว่ปดบันี่ไปลว่าพระนิพพานว่าไม่กินเสียแตกนี่อย่างเขาว่าก็มีเจ้สือวดควอมอข่าน่ะอู้จื้อได้อห่งชักนมัรีวันีนิพพานยิงพระสวดบาลสักทาคาเมีนาคาเมพระทหารละสังโยชนั้นท่านั้นท่านี่แล้วมงเลยเรียกย่สันผานนี่เขาวางสิพระสสดิบานละสังโยชน์ได้สามักกะยะทิฏฐิวิจิกิจิาสีลภัตตาปรมานแต่จิตใจแห่งอยากเลยเรียกยสันผานนี่เขาวางสิจุ่ไร่พร้อมว่าหงกับมงหงษ์กองคำมาวอากับมงหงษเขาวางสิ สั่นบางที่เป่าสั่นเท่าวะว่าให้เจ้าของเลยละวา่าผู้อื่นมาได้ก็ว่าให้เจ้าของเจ้าของได้ดีบดีซ้ำไหนดีบดีก็ะซ้มเจ้าของบดีซ้ำผู้อื่ น, นจะวางไหนสั่นงนั่นดีเี้อับ้ผู้ไหนดีบดีกรซัมเจ้าของนี่แม่บอกชีวิขี้อับอกกันเนี่ย <c oughs> ธรรมดาผู้เพิ่นฟันไม่ก็ฟันแห้งฟัดคอยสลับกันนั่นตัว คดีนั่นคือกันอะไรันนี้มันแกกัดซับลงจนจุกหยอดพยอหมดวันนี้มันพูยกับกับ่รฟันแห้งแล้วไม่เคียร์ถามันได้เครื่องเข้าหาใจเข้าใจออกหรอหายใจเข้าหายเบาๆหายใจกังสี่นี่กันเดียวกันนะมุนี้กินเขาก็ยังมีคำน่อยคำใหญ่ไ่ได้คำตำหนักกันปไนได้ยังมีกางยังได้ค่ายออกกู โมา่าเ้ารือาผาดจังหับเอาอืมโ่เศ้าเรงเศ้าผา่เศาัดเสเบอจังหาบเอาวัดถัสมบัดก็จังหาบเอานิาาาพถ า, า, า, า, าปานยาไว้นิพถาปานยายไว้ไยยไวครเพื่อได้เป็นเศรษฐีเ น, น่ยอดนั้นเรียกสิให้มันขี่สปาขี่สือเบโคริ้ลว่งหัละไปเออมีอขี่เสจะอ้าไว้พ่อมเออตีหนกมาพ่อมทายอาบักตอดอย่างดีสิกืนจินพ้อม เาพูดได้ว่าเศ้าเรียกเศร้าพา่าเศร้าวัดเศราเบอร์คำันสิห้างสือมี่บ้านนี้รนเสอแตกกันเลกนเนี่ยเอาแห้งมเมื่อนียมดฟาพข้าแรงเดือนหากรฝ น, นมาคืนในห้ยเช่นึงละในยิ่งหอดพุ่มโลกเศร้ากับห้ยเนึงในยิ่งหอดพุ่มโลกวังคำกับห้ยเช้นึงในยินหอดพุ่มโลกเทศแต่พุมโลกด้กกยินงผู้ ไ, ได้เดียวเนี่ยห้วยพระองคนี่เพื่นยืนยันยังซี่เข้าขออโาโนมนาสกเพื่อนโนอดชนะนี่พร่โลก ว่าคืดว่ามันจะกระเทือนเพิ่นเนี่ยนีเพื่อพันจะสาธุอยอะเนียเนี่ยนะ <c oughs> สิว่าจะไหนว่าสาธุมูโบบ้โตว่สาธุกับญาติเรอผู้นี้เศราอะไรเดยวผิ้จังหวะกันพูนี้มาเศาเพรไูนี้ยังยึคืดอยากเรีนเลขเนพาเรีนเนเบอยนผู้นี้ก็บ่เอามาวาคือกะไรสิว่าจะไนนอนยปฏิบัติได้จังหวแหงนี้เดี๋ยวนี่นปฏิบัติเาแหงเดี๋ยวนี่บอกสันว่าผู้สาธมาสาทิิ ตอนไหนฝึกตนดีแล้วจึงสอนผู้อื่นจึงไม่เดือดร้อนในภายหลังนั่นนั่นั่นนสิว่าจังไรซะคำว่าเราคือนานกิจบดดจะได้เพลินปีติสาตาธรรมะเป็นแต่ถ้ำเป็นแต่สภาวะปีติหรอกสุขสาตาธรรมะมันเป็นสุขทัดเจรพหาตะพาธรรมะเห็นธรรมแล้วในชั้นนี้ มักคารมนาธรรมะเป็นมัคคารมมัคคาเหตุกาธรรมะเพราะเป็นเหตุแข็งมัคมัคคาทิปฏิโมธรรมะปฏิบัติอยู่ในตัวนั่นะอุปปนาธรรมะก็เกิดขึ้นในจิตของข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้นั่นะพวกมหาปรเรียนก็บมี่มันจะฟังเลยว่าเส่มันแซงพวกมหาปรเรียนก็บมี่แล้วเครับโทูก็มีเต็มอยู่นี่จกว่าเอกตาเดียวบุรุษเอกสองตาเขา่จัด โตขก้นนั่ น, นแหละใว่าล่ะถ้ามถ้ามอันนั้นอันนี้ยับขี้ไก่กระบะแตกแล้อบางเล็กบาท่านเศ้าเหลือมีไฟออแม่กุย้ยพวกจานมั่นกูเฮี้ยนฮอดอหันกูเฮี่ยนฮอดนี้แปดประโยคเก้าประโยคท่านประโยคกระตามแหนบวะเศรื่อเหลือก็วควบเก้าขาแล้วนั่งกินเราอยู่เราก็ยังกินอยู่น้าตาพิเภกเพื่อพรวัสนอกเอออยาเพื่พรวัสนกเว้ย เฮี้นจดใจไปลกกับว่าบงเงินเท่าผู้ผู้เขาเฮี้นน้าโมตัวเดียววะได้ว่าเอาหอผู้บ่เฮี้นบ่าวาดผู้เฮี้นไรได้อดดักมาขบวชจะคของบ่ได้น้อยก็ได้หลายมันกับจังแม่นเว้ยพี่น้องเอ้ยเกิดเป็นมือไหนมาส้ำราตะเลีตแฝงโยงเสียไม่กับเป็นวัดผีบ้าส่นตัวสร้างเว้าไง ดำเนินสูงๆูขึ้นไปยึดไกเข้าเขื่อนมือได้มือได้กันมาคือตะเลกุ้งสิมันจะหันไปเอาสร้างวัาถศาสนาพีบ้าวยังไงมันเปนนลปี่นยนท่านลบก็ขืนจัตเทียแล้วก็ขืนออกนี้จ า, จากอันนี้อันนี้มันทางมหรหกได้นีเลขะท้าบัเบอือเนี่ทงังเก็บหายเนี่ยมนุษย์ส้อมบัตรมนุษย์ไมบัตรเนี่ยขันมนุษย์ได้บัตรกสว ร, ร์วมบัตรกับพมวบัตรคือกันเรว่าอย่างไรตอ น, นนี้ผ่านวบัตรคือกันว่าอย่างไรท่น วิบัตสีสีนี้วิบัตวิบัตแหงสีมอาจารยวิบัตวิบัตแหงอาจารย์ทิฏฐิวิบัตวิบัตแหงทิฏฐิอาชีวะวิบัตวิบัตแหงอาชีวะเรียกชีวิตเป็นสมควรนั่นน e ัๆนนนันมิชาอาชีวะนะมิชาอาชีวคืออบายมุขนี่แล้วสัมมาอาชีวะจังคอยเว้นอบายมุขมิาอาชีวเว้นจากเรี่ยงชีวิตในทางเทวิตสัมมาทิฏฐิเห็นพิษ ว่มันเห็นชอบได้เนี่ยสมาสังคโปร์ดําลิเตเลขสมาวาจา ก, ก็ะซ่วนกันไปซื้อเทเลกสมากับมันตัก็เอาการน่านเห็นเลขสมาอาชิโวเรื่ยงชีวิตนํ า, า เ, เลขสมาสติอะไรนึกถึงเทเลขสมาสมสมาธิแบบภาวนาหาเลขเอานั่นมิจฉามิจฉาสมาธิได้เนี่ยมิจฉามิจฉาจิตเห็นผิดมิจฉาสังคโปรดําลิไปหาเลขผิดดําลิไปหาเลขผิด มิจฉาวาจาวาจาชวนกันไปเล่นเลขนั่นมิจฉากรรมันโตการงานช่วยการงานคือเล่นเลขมิจฉาอาชีวะเรี่องชีวิตในเลขจิ้บหายไปมื่อเรแต่ น, น้อยนั่นนั่นันนนน่พระเยกเรียนกับเรียนใช่ไหมใช่ป๋าหี่งต้องอาบน้ําแล้ว ม, มัเราบอเจ้าเหรอน่นฉะนั้นผ บ, บอกผู้ชายกับป๋าคุยลงอาบน้ามันมีเห็นมามล่ะเห็นใช่ไหมพระพุทธเจ้า จึงอาจฐานชีหาหนาทางมาท่านเตะๆในพุทธบริษัทได้จึงไ่มีคันขามพระพุทธเจ้าผพ้่ได้อาปเสษพรกรเพรศีิเพื่อได้บวเสษพระกระเพรศีริเหตุสันมีผู้คัดข้านพระพุทธเจ้าได้จึงมีทศพญาณชีอยางอายาอาจทานคำสอนพระพุทธเจ้าอาจทานได้ว่าะ น, นันั่นนั่นคำสอนใดๆในใจโลกธาตุย่าสมาสูา่สคาสอนอิพพอข่าเม พี่อข่าคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระดิศสง่งทั้งหลายเก อ, อสู้ไพ่แมนตาลาไพแมนมือกับแมนโยเนี่ยมันดีเฮากับว่าดีเตี้เนี่ยมันดีเฮาไปว่าโซะมันกับว่าถือมันกัลำเอียงลำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกสันทากติฮักมันมันเฮ็ดพิดมันไปท่าโมแมนปันได้ก็ให้คะแนนมันเรียกสันทากติลำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียันทากติ บ่มาขึ้นบ่มาขนนสายวาสนามันมันเฮ็ดถือกว่าไหนกับบ่ยอมนะเรียกโทสาคตินี่เพราะเพราะสร้างมันมันเฮ็ดถือกว่าไหนกับว่ามันถึกลําเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติมันเฮ็ดพิษกว่าไหนก็สร้างมันกลัวอำนาจวาสนามันแล้วไปทวงมันเดียวว่ากลัวเดี๋ยวพญาคติ นำเอียงเพราะเขาียกโมหคติเพราะครบเรื่องนั้นเพแตกเพราะัวมันถือมันพิดอย่าเรียกว่าโมหคตินั่นคติ4ประการนี้ไม่ควรประพฤตินั่นพระสมพระพุทธเจ้าของเขาน่นน่เพิ่นว่าดังในตัวเมืงนี่เพิ่นเพิ่นสัญญาอันนั่นสัญญาแก้วัดสุทีอเพิ่นว่าดังแล้วเมื่อไงม่่คำว่าผู้ได้สรางกใชรถยนต์ใชรถไฟไปขายบุ ไปใส่รถไฟรถยอดไปขายพันยาผานไปขมขายออกอ่ะเกิดอะไกแก่ขึ้นมาของเกาหันมวยผู้สืบมันขายผู้ออกอะแก่เชื่อมากมนุษย์ผิดแล้วมันเปยังไงพวกเด็กขมันขัดแสรงแงงมากหนูเพงลงหลดมันเปยังไดบวมันหามหลอพระท่านขันนี้บนบยบมแอนน์ล้ำรี่ลำไรอะไรเนี่ยพวไปนัางผู้นี่ชิปีเศ้าปีกิเฮี้ยนตกกอดชอลาขอชะลาตายข้าโรงเรียนอยู่ มันหันเป็นเอลร้อยปีพันปีก็จะมาเรียนเลขยั่งซี้มันหันเป็นโอาตายทิโคลโลอันไหนเจ้าอุทานน่ะมา ต, ตายเพรมีเงินเผาสโภนะไปเรียนเขาทแำเลขเงินยัางยูงหันพันหนึ่งเอาไปเรียนเลขอีกซะเอามาเผาอีพ่อยแม่เขาทบชารว่ า, ดวาได้เผาไปยืมพี่ยืมน้องมาหนึ่งเงินยังอยูม่มือนึ่งกระไรนั่นนั่นนั่นนั่น ไหหน้ามันไปโยสายเดียวยมันก็ไปน้าเล็กเงีอนสรามันไปนั่นมันกลับไปน้าเลกอืมมันกลับไปน้ำเล็กเบ็ดเนแล้วเขาว่าได้ยอะบันหันเขาว่าได้เยอะบันนีเอซันเออได้มาจะพูดหน่ยนั้นมากจะพูดหน่ยนี่เซันเออขี่กโวยตัวขีก็ม้อผู้ใดไอ้ผู้บันไดบเห็นว่ามันเอาเงินไปฝากข้างยักเทีนั่นนั่นแล้วก็เห็นจขีคุยเจ็บเสียบเจ็บเสยบดีบดีคารุนผมเห็นหดคยแม่นว่ ฮารูนอบ่เห็นรถรถไปไสบูรถเนี่ยงรถปิกอัพปิกแอพินเอามาพอพ่อเอามาพอพ่อบ่มีเงินจะซื้อน้ำมันรถเท่กตบ่มีเงินสิไปกตบ่มีเงินสิบ่มีบ่มีเงินสิไปสอบมันเพราะมันไปเสียค่าเลขบัตรซาถุกเห่อนั่งเนมือนด่า มาถือว่าเอาเลขเล้เข้าหงจักหน้าหนึ่งเขาบลงมาเข้าบอลลงมาที่เครียดนะเข้าเหงจักเยอะมันต้องตำราเขาเข้าหงจักขนจิตมันดูสองหน้างันบางเที่ยงหันบางเห็นเาลงมาคนเครียดนะเข้าเข้าน่ะเอาใจคดยังซี้ชมือเนี่ยตำราเขาเลนเลขถือว่าฟัง คนทุกข์มากว่ได้ถือยังมากเพื่อนมือจากเบานำ้ำขันเบาน้ามันพนําผูกกระเลขกคนห่าคนมีมาจทีกรุงเทพกักแสกเริศพ่อนกักเลิศแผ่นปั๊ไหนเพราะว่าเทากับรักษาทั้งสองด้านเทาเราได้สีตายว่าเท่าไรสี่แตโตนต่างตายแล้วสมมติเนี้เท่าเป็นคนทุกข์คนยากมากเพื่อนมือจากเบาน้าขันมีถือสิงซื้อของมาเพื่นยังเบานำ้ำเพราะว่ากันรักษาทั้งพวกนี้รักษาทั้งพวก หรือซื้อของมาจะกื้ว่าจังไรเขามาเขาเขาก็าเขียนใช้หน้าพากมาให้เขามาตีจะเขามากับอะไรด้วยกัเงินกันยู น, น้ำมูโตผุนผู้ซื้อคัดซื้อแล้วคัดหาว่ามาเอาน้ำเขาเพราะว่าเอาจังไรเงินยูน้ำโตผุนผู้ซื้อกับแม่โตเฮ้ยสิบังคับหัวใจกันได้หัวใจคนละ น, น่วยไม่กันว่ะสร้างงอบอกมามหนมถึงผว่เาเอานาไปขาย อันพระขีโงูมันนี่ก็มีเรื่นี่แล้วสัว็อันมู่เจ้านังคอยปริญญาเอกปริญญาโทษมาอยู่ในนี่พระคููบาอาจารย์พ่อจะเป็นตาได้บุญในกุศลคอยจังมาอยู่น้ำนี่บ่าวเขาฟังเขาว่าบา่าเลี้ยงนี่เลี้ยงผากรไปเชิดจังสีสสส่งสิ่งงตายบ้าซอยหลวงปูอคอยว่าบางคนตำตํา่ได้คอยปริญญาเอกปริญญาโทษมาอยู่นี่ ท่านบอกว่า่อบ่อพอเป็นตาได้บุญคอยกับ่มาคือขนานแล้วมันปาประมิดคอยบ่ยน้ำได้มือหนึ่งคอยบ่ยนำ้ำคอยพ่อมาค้นงงๆเลยเจ้ามาหาว่าพ่อคอยเลียนเลขคอยบย่ยอมเลยว่าสันเขียนใช้หนังสือทุกเดมทุกเดมเมลยตาแตกบ่เมื่อนหนูว่าสันเพียงยุโรุมันก็มีอยเทธึงก็มีว่าสันห้าบาทเดียวอันนี้ว่ให้ยข่อยสยงเจ้าหลวงปูพ่พักห้ยให้เรื่องเศร้าเลยแต่ไม่นั่นเสียว่าสันพู้รับแขกไม่ได้จะตายว่าสันตั ให้มาคืนนี่ยเขาให้เที่ยงเจ้าเนี่ยเขาให้เที่ยงหยอพระพุทธเจ้าเพิ่งให้เองสิพระอาศัตรก็ห้เนี่ยพระพุทธเจ้าว่าให้ด้เป็ยังว่าให้พระพุทธเจ้าให้พระสุทินเนี่ยพระสุทินไปเรียนเมี่ยจักรของเรื่องแล้วมันดีก็สําหรับเธอแต่มันไม่ดีสำหรับนักปราชญ์เธอโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษมันดีสําหรับเธอมันไม่ดีสําหรับนักปราชญ์เธอย้อนองค์ชาตลงในลุ่มสารเพลิง ของมาตุขามเธอย่อนองค์ชาติลงในปากงูเห่าดํามันยังดีกว่าโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษนั่นเพนดาไม่ฉะนั้นเธอย่อนองคชาติลงในลุ่มฐานเพลิงยังดีกว่าหรือในปากงูเห่ายังดีกว่าองคชาติองคชาติทำทำทั้งหลายที่เราสอนให้เธอระราคะเธอกลับไปอาบวกเพนโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษเป็นยังจังดาว้างเสื้อโยไปยัง ขเขามาเลี้ยวไปเล้วมันเอาขึ้นในประเทศจังที่กบเอียงเลเทศเพื่อ ป, ประโยชน์แกผู้ฟังทั้งหลังมันนันะนันคักบล่ล่ะเนี่นั่นน่ง น, นึงหมน่อยมากว่าคามันผู้ใดห้องน่อยห้อมน่อยมากคุณขีดไสเงีย้ยีมันาสั่นเาว่าข้านออกไปมันหวัวเลยรอ้หน่อยห้อนอยเขามาได้วัด n า a ไปทั้งหลังพันเวอเวอร์ไเขาบังหีโตตัวย่อสีอิตด้วยพันมาวิ่งทั้งหลังพีเอกจะแค่ตายยังสัตว์ม่รูว่าท่นน่ะไม่พูดไรนงมากอ้คาดไปเรื่องเห่นี้ดล้วจักนอยเนี่ยเพิ่นสีนิย่มกันเพิ่นห้คะแนนกันเพิ่นสีนิยอมกันเพิ่นสีมากแก่บูซาศาสนาพุทธก็ไปบูซาศาสตาพระเยซูเพิ่นแม จะเอามาบูษษาศาสนาพุทธหยังเาเป็นประเทศไทยแม่แย่งบ้ั่งมาวดกันตายยังประเทศเท่านี้ต้องไปกวดประเทศอื่นผลเพาว่ามาให้คะแนนกันตาย ย, าายังใครสมัครกับไปขวดประเทศอื่นนลเเอาเขามาขวดประเทศเท่า ว, ว่าเาแต ว, ว่ให้พระเป็นการบ้านกัรเมืองพระมาสอนบ้านสอนเมืองเปสอนผีตัวไหนสเงาแท้ยพระพุทธเจ้าสอนบ้านสอนเมือ ง, องตัวหงชีระห่อแย่บานสั่งหงีจักน้อยพันเสวเออ ดีแล้วนางงามท่านที่หนึ่งนงนางงามชายงามยังจะมีอีกกระดอกก็ไม่ต้องเอามันเปลือยกายเหมือนช่างเหมืนหมาเนี่ยเวลามันจะเสีบสมกันมันจึงซบายม่งก็ะเว่าไปอีกเรืนี่จังน้อยเนี่ยไม่ง้นว่านะัเอากลางวันก็ได้ผู้่ดอเอากลางวันเป็นผู้ใจถึงหรว่าท่นเห็นบ้านเนี่ยนะมาละอับปีเสียกบับบ้านเออพ่อพีแม่กูเออเอาไปยมุกน่ง อภัยามุกมันชุบชุ่มมันเข่ามาหาพระเจ้าพระสงฆ์มันเข่ามาหาพระพุทธเจ้าของเฮ้าพุทธพวกพุทธทำร้ายพุทธคือว่ายังไงพระพุทธศาสนาจะเจริญอยู่ได้ก็เพราะพุทธบริสัทธ์สีพุทธสุสัมเณีนุบาสกบาชิกานี่เองถ้าจะทำให้เสื่อมก็พวกนี้เองว่าพระกัวังดิเทศเอาย่อมย่มกับวังดิเทศเอาพระ จักไทยจะเป็นลูกศิียกันนะนี่เป็นตะอุกลูนี่ก็ได้แม่บอกน้อยเพราะเพราะค่ายบอะไรเป็นโทษหือว่าองไรเป็นยาหัวมันสียรอบออกโทษนะขับไปเวียดวาะเลียได้เหรอว่าสันผานี่ยเอาเส้นผากกันเร้่องหยีงามศาสนาโม่ห้อยจะเปลี่นเรื่องโม่ห้ายเนอะโม่ห้อยถึงทำเรื่องม่ห้อมันจะสมมันจะกุมค่าเปียนคือผู้คือเขาเลยเออวัชชันมากุมคาเล้วะให้ไม่เสียหายบริบูรณ คันเราเส้นหาว่าได้มันไปผูกเอาเลขหาชี้ว่าขีวันขันว่าเมื่อไหรซะว่าจะกลับไปผูกเอาเลขขันเราหลายกัผูกเอาเลขขันนั่งยุบ ป, ปากว่าจะตีงเม่อไรกับผูกเอารอดนั่นกับเป็นบ้าบางยัยขันอ่ะเออสร้างว่าด่าบ้าบ้านเนี่ยขันให้เพราะว่าศูนย์เพรว่านั่นั่นจะยุดเป็นแค่เท่ ย, ยว ยิดใจมันบ่ถึงยี่พ่อยี่แม่กูเอ้ยอะไรคันพูดไดเล่นเลขเรียนภา้าเราทำยุทธันได้ยุันพวกนี้วัต้องเนี่พระวนาเบิ้องดเดียเนี่ยว่ดตองเนี่ยพระวนาสิกิตมาอย่ดารับได้นาะว่นเนยพระวนาเบ้งดอกท่าคือกาะบวรลอยพันสากสาขบันเรียนเลขอะขบันขมันอนุมโมทธนาสาทุกการได้เลขเยอน่ะเขาวัองพระวนาบัเกิดบังไกลเราเข้าเบิ้งบานเดียวแคบเดียวเท่านั้นน่ะต้อักรร เบืองบา้าน้กจักคดเขามาในวัดเร่เรก็เร่เร่ไเบืองบา้านเนี้ยพวกตาพยังสีหลอกขันทาอาอะไหนมึงสีหลับตาสีก็โมยพระพุทธเจ้าวายพระ อ, อนนท์พระ อ, อนนท์วายพระพุทธเจ้าพระองค์เลยพระสันมากนี่เขาก็มาว่าดีก็ดอกกดี้สอมากเห็นอย่งะั ว่านะสำนักบนไดมีคนถึงสินถึงถ้ำเยอะพูดนึงเข้ากัไปเพราะฉะเข้ามาเพื่อนั่งพรนี้เข้ามาเพื่อคนเพรนี้ค้นเพื่อมาได้กระย่าหัวมันอะบอกมันมีเพื่อได้ยอะพูดหนึ่งเขามาเสียเสียวเด้ว่าะฉะั้นพระองค์เจ้าเขาสร้างไรตันนี้สาพระองค์เ้ยโม่เข้ามาเขาสร้างประโยชน์ใสประโยชน์เมื่อสะเกตดประโยชนเขาสร้างเมื่อสเกตไปรยปยชเมือกำป่าเขาสรมันกกำป่ายอะไสปรยเขามันครบพุ่นราฉะัน เทาว่ได้บวชมาให้คนสั้งเทาว่าได้บวชมาให้คนหักเทาบวชเพื่อจะคนทุกข์หนานนดยวัดันข้าพระอนุนขันเทาบวชมาให้คนสร้างเท่ากับสินี้ด้วยเขาสร้างสันขันเทามาบวชให้คนหักเท่ากเทากับสิดูอนอนเขาหักกับสินี้อนนเขาหักสันนี่เทาว่าได้บวชมายังสั่นเทาบวชมาเพื่อคนทุกข์ในวัดตาสงสารเท่าไปสอนเขาเขาเอาข้อมเท่ากับปติทุเขาเอาข้อมเท่ากับปติทุแต่เขามีห้องของเาสันระพุทธเจ่าคนมาสินะ อยู่ภูมันอยู่ทางห้องที่เาอีทานพระปลาเว้ยพระเล่าเล่าเมื่อกบวนเล่าเมือกอดอมัหลอกแห้งเมื่อจักบอกหลวงปู่มันได้ยินหอดพ่มโลกคนประสมกันนี่หลวงปู่มันไม่ได้ตั้งไว้เลยประสมสมควรได้แต่สิบนั่นเลยสมัยนั้นคำทีานี้คำเาม่ได้ตั้งไว้เลยเหตุผลผพราทำไรเพรก็กเหตุหลดหลวงปู่มันเพราะประสมกันพระตั้งไว้ก็บีมตตาเมือมากค่ะมือสาขา เานั้เดี๋ยวาอ่เพื่อนก็บด้ตั้งไหวจะหลวงปู้มหาวายเห็นชุกขนอะขึ้นไปงานโนกบได้มาฟังหลายก็รกรเดียบป่นี้เรื่อเดือดรัหลวงปู่มันเพราะมันโอยบัยู่ย่อยแม่เกลือชนากันด้น้อยเพื่นบัตรแดงไงเฮ้หลงปู่มันกุฏิยอก็ได้น้อยย่ทธภพฟังเห็กับฟังกันได้กุฏิหันพือนกันกทย่อยขึ้นไปพืนกทยอยขึ้นไปสื่งานนรได้มารก่บัตได้มาหลายดอก งานโยมมากมันเทศวัสดวกัศนเพราะว่ามันน่ามันเทศพระมากกับความรับกับไม่กัน์พระมันกัเทศกับโยธ ท, ทีแลรวกยารกความรับมันไม่มีในโลกรัฐทโีโอเคระหัวดำอะเพิ่งนว่าตามก็เพิ่งนังซือความรับไม่มีในโลกมันมีอย่งไรเฮานึกอย่งไรเฮายัางหั้จังจก้นนี้นะมันมีบอกความรับในโลกแกกับแกย า, ยางพึงนพายเก็บกัเก็บยางพึงทพายตายกับตายายางพื้นพายมีความรับบอกอ๋มันชิบะดังแหงพราอชิบโกกุกเพราะ อันเวลาอันบอกเขาจิบบอกว่าอันพี่บ่าพีบาจังสี่ชูเขาไปฟังเทศเขาจิบบอกว่าตั้งใจปฏิบัติันเอะจังไรที่พ้นทุกข์นาว่าท่านลงซานมันมันของเหรียญมันแม่นฟุตบอลบ่มันแม่นของเหรียญมาโพธศาสตร์นะถ้าปฏิบัติเหรียญขอ่อนกาต้มอย่าันจะเป็นตัวเอาหัวมูอห่อเนึ่งตายเทีมโคร้งกถึงพุทโธก็ถึถิมดเอาลอดมันกรถึงพุทธเดียดี พวกเรีนเลขม้วนถึงพุทโธถ้าม้วนก็มาถึงถึงต่ปาามันล่ะใครว่าก็ะไรตัวแก้วจะขายกินทองกับกล้วยบุ่นล่ะแต่หากล้วยนั่เป็นวายยังไงบุกินยุกันยังมองจักกันเนี่ดนั้นกันพุทธพจักพุทโธเศ้าเลขรักษาศีลถึงใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระนรพาตเปิดจงเปิงลดขันเพื่อไร ว่ถึงพระโสดาวันพระนิพพานจะไปเปิดจังไหนไอพ่อไอแม่กูเอ๋ยเฮ็ดจังไหนสิได้ว่าถึงพุทธโธเบื้องต้นถิถึงสรมโมสังโฆจังไหนพุทธโธแปลว่าผู้ลูกระบาบบำเพ็ญบุญเนี่ยบาปงามงามไปยังละบ่ได้เฮ็ดจังไหนจะไปในพระนิพพานได้พี่น้องเอ๋ยนั่นไปก็เป็นไปเป็นโรคกี่ยเรื่อขึ้นมาเป็นหุ่งเป็นแห้งเป็นเต่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นเพชรเป็นไก่เขาบ่อยากเป็น ข้าว่าอยากเป็นคนสั้นดอกบัวยอดไตน้ำที่มันง่าเดียวนี่ข้าววาอยากเป็นมันกับบัาแล้วเนี่ยมันไม่อยกเป็นเม็ดนะฮะเนี่ยจะเป็นดอกบัวยอดตน้ำข้าวคนอยากบืนขึ้นได้เดียวนี่ผมว่าอยากหมอบโย่ลมหดลมโคตรเว้อย่นอยากบืนขึ้นเ่อยากนอนอย่หลุมทานเพิ่งอยากบืนขึ้นนี่ยสันด้เยม่อยากบินขึ้นมันกับแม่นั่นแล้วนะบ่ามันคิดถึงยาหัวมันเตาะเรียนเมี่ยเขาน่มันมันจะมุงมวตายมากมันก็ได้เปลนชื่อกันว่าที เดี๋วเมียเขาเนี่ยมันจะมันม้วน ล, ลายไม่ใช่เทิดเถิงบัณฑมโคตตายเป็นศีกเล็ดเกียเมื่นกาลเวทตัวผูต้ตัวเมียือกันเราว่าากับเบิดควบขึ้นแล้วข้างนอกไปแล้วมันกับเบิดควบขึ้นอะไรนัน เ, นนบเบนลนเนถึงคนพระพุทธเจ้าเหลื่อมใชยพระพุทธศาสนาย่างใดมันกับเป็นพุท ธ, ธทมมาธรรมะสังฆาโนสติเกโยนตัวอะเด้สิว่ายอย่งไรสิน่น มหาเจเสว่าพธิโทธรมโมสังโฆเลยโ่จืดโมจางในพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าพระวนาอย่า่มีอะไรเล่นขึ้นหอว่าย่างไรเสนาวนั่นมันมหาเแต่วะจะไปไหวอวดนาแขกเลยจงกมอวดนาแขกอย่งนี้ถึงพระพุทธธรรมประสง์เลเดียวเนี่ยหว่าอ๋อันขมเถึงแล้วมันกับ่มันกับว่าูดออกเลือดได้มันก็คึกเกี่ยว่าหวานนี่นะนมูห่อหรือบะเสียอับไปเจ้าเออยีพ่อยี่แม่กูเอ๋ย อีพ่ออีแม่ก <bail può> <Baby> ูเอ๋ยสืบเทิงพระพุทธเจ้ากะบ้าถึงแล้วเป็นเกิงเด้งอยู่ให้นี่ผีก็อยากถือผ้าพก็อยากถือเราลายถือหลายโพดเราบ่ได้จักอั๋นรถมือผู้ปัดผู้ปัดผีก็อยากถือผ้ามาอยากถือเลยเนี่ยมดีก็อยากถือเลขก็อยากเลรียญ่นเนี่ยมันลายแนี่ยโพดเราบ่ได้ยังจักแม่เหไหนว่าสันเถออศาสนาภาพก็อยากถืออันเนี่ อันนี้ไม่คนสั้นสูงสูงมากมีผู้ถือมาขอน้ำมตนโอ้ยมันผ้อป้ามันเอาสันผ้ามาใส่หน้าผ้าเข้ามาละ่ะคนสั้นสูงสูงมากปนอยู่มาขอน้ำมตนมะขอให้ไปเติมรถหนึ่งโอ้ยหายกินน้ำเติมรถขายกินน้ำน้ำมันเขาบว่ า, าคนสั้นสูงสูงมาหาผู้ขาไม่หลายอย่างเพราะมีแต่คนสั้นตำนี่ผู้ออหนึงเพราะว่าต้งไปเติมรถที่นี้เพราจูง ข, ข้อลอกลอกลอกไปโอ้ยไปขายหนาอัามคนสั้นสูงสูงมากัางสั้น พูเท่านี้ว่าถึงสินถึงถ้ำเลยนั่งเติมรถที่แตกกูเขากะว่าสัตวตัสวสร้างเอานั่งเติมรถเจิมหน้ที่แตกกูเจิมเกียตเจิมใจจะขวางมันไปยังผู้ขับบ อ, อวา่าเขากะว่าจังสันที่หรือว่าจังไหนนั่นน่ะหน้า ม, มีคนมากชันข้นชั้นสูงมากเขาสนใจในธุระเพื่อรุดเพื่อพ้นเขามีสินหาประจํามันมาขายหนาอย่างสัตว์เอยเอาเงินมาลาดนึกเขามาจากได้ผู้จังสั่นเอาถักโป๊ะนี่ ขอหน้ำมนต์ดีว่าจะรอเขามาบ่บังนาตามาตาเลือพระองค์เนี่ยหากิน น, ำนำ้ำหน้ามนต์พ่ออะไรกินยาซ่อมนี่ลูกนี่หลานมาบวชไปไล่ไกลให้เขาไม่ได้บ่พ่อจะกุกงค่ากินเขาไล่คาเขามาบวชเขายึดคานเลี่ยงเขายึดคานเผาเขากระตือวาะตัวเอ้ยก็พี่แค่หน้าฟาดกันได้หรอสมมติทิมให้แจ้งเขาเดียอ เล็กน้อยบอกเบงรลายมือให้ยูจังหวัดกับี่หลวงพ่อหลวงพ่อดูลายมือด้วยเออแบมือมาคุณหนูแบมือมาเช่นนี้อย่าขี้เกียจไปโรงเรียนเช่นนี้ให้ท่องหนังสือมากๆเช่นนี้ให้ตื่นขึ้นมาให้กราบพระเสียก่อนเช่นนี้ให้ท่องหนังสือให้ดูหนังสือเช่นนี้เมื่อกลับจากรโรงเรียนแล้ววินารรดาใช้สายก็ต้องตรงไปอย่าเตรียมตัวมาโรงเรียน พอช่วยอะไรก็ช่วยพ่อช่วยแม่เส้นนี้เออแล้วพ่อดูอะมือแปลกเพื่อนแปลกเพื่อนสิลูกพ่อลูพ่อเรียนมาอย่างนี้เจิมรถเจิมคิดเจิมใจกับของฝังให้มันให้มันดีขั้นเนี่ยขั้นเห็นปลาแดงๆมันไปเนื่องแค่เขาได้นแบบ่าจังว่ตายเจิมไปไว้ทำไมเจ้าแข่งทั้งเพิงผาญาติแคเขาว่าตัวคำรถมาเปลียนนั่นน่ะตายว่จังว่ตายนั่นเจิมเจิมรถเจิมรถมันต้อง 1. นยาแข็งทัพ่งผายสองแข็งทางปอดไพ่สามให้ไม่ขวัดละลึกถึงคุนพ่อคุนแม่าเสื่อมตัวและลึกถึงคุนพ่อุพ่พระธรรมประสงค์ยัได้หันนั่นนะเจิมรถนะเจอมหัวใจเฮ้าหันนำมดก็รถหัวใจเฮหัถึงพระธรรมประสงค์ฟผูแคกับผูกิดผูใจเฮ้าหัถึงขุพระธรรมประสงค์อสันว่าจังสันมันจังเมนเกีเกี้ยอาจารเมื่อสอนเขาพวกแห้งหรผู้มาแก้อาตมตาย พุณมแก่ที่หลังแม่นั่นบ้าสัขนทํ่แท้มันกับว่ามีายแร้วก็มีเท่านั้นเลยอไอ้มื่อนั้นมันว่วหันดอกหัวหันกระเงเนีหันลงมานี่ยสกกันท่านี้ัวเรียบร้อยไปว่ได้นี่เรียบร้อยไม่ยังจะไปได้ส่วนวัวเล้ยวจะเอาหน้ามาพาว่านสันว่าขี่ว่าท่านแก่งก้นจะทาสัํมจนมากบ้านสันตลี่ก็ยังเล่าบม่ได้สิว่าไปตายยังมากคนนิพพาดพุทธไม่น้นบ้นสว่าแล้วห่ะเขาพบมรรพุเห็นบอ โอ้ยเลียนคอยกับเศร้าเร็วเรียนสิพัฒนายังไหนหลวงปู่ัของพ่อฟังนี้มาถั่วโน่นเอยอันนี้ก็บเศ้ามาเร็วหลวงปู่เว้ยว่าันอยากได้อยากได้ทาสันสูงว่าสันงานแห่งนี้าแั่งค่าผ้ามอค้ามอตับเหว่าสันราคาหกมื่นว่าสันโยคะลูกเตาว่ได้กับทุบไฟถีบจตว่าัน ใจถึงอ้ทีก็ตามแล้วจะสวาโล้เนีรว่าใจถึงยังเฮ็ดเนี่ว่าใจว่าถึงยังไปเฮ็ดรอยเขาเสียทรัพย์เสียสินมาจีบเมับอาบัตรากบ่เอามาสั่างชีใจมดลูกถึงจะเอาเด้อมาั่งแล้วถึงพดมาสั่แกไปเผาไฟถิมไอที่นี่ยุยัโซนี่นั่นนั่นนั่นนั่นเผาไฟถิมเลยหกหมื่นราคาแล้วไปปุกเอาเลขได้รอหก0 0ื0น่ะเจ้าจะ เราจะเก็บหายอ่ะออว่าทั้งพิชทั้งขิงแล้ว่ะวาเห็นโทษว่าอะไรก็ได้ว่ามันใช่ว่าปากว่าตาขยับเพื่อไงเอาว่ากงไปกองมาเลยว่าท่นว่าสบายอยู่คนเคืคงขดประมาณจักเคืิงคดอะรพมอย่งน่เป็นคนบ่าจักหายจักพิษเ้ยคนแต่งกินจักกะวีเก่งปัแจ้งแต่งกินจักกวีเรื่องพระเรื่องเรื่องธรรมะ แต่งกินตะเกียบกรเพลนเอาไปเผาเอริเผาไฟเอริสองผัวเมียนึงกับยูสารคามมียเนหาบริบูรณ์นทั้งสองผัวเมียบะเฮ็ดยังน้องปลากับบเฮ็ดหมูกับบลเฮยดเป็ดกับบเฮ็ดไก่กับบะเฮ็ดบอกินผู้นึงกับยูพ่ท้องไก่กับบเฮ็ดเป็ดกับเะีฮ็กก น, น, น, น, น, น้องปลาตัวซกออกไปนี่ตัจะไปเฮ็ดน้องปลาได้เ่ ตอ้องไปเอ า, นะาเน้องป่าคือนเข้าบะเห็ดน้องป่าเล็ดกับเลีเ้ยงนะ่ะแต่ว่าลูกหลานตัวดอกว่าไงป่านี่ไปยังเหมือนเพื่อนเอามาเลี้ยงออสอนเพือ่อนพอได้ได้ย่ว่าไ่ได้ได้ยั่ลูกหลานตัว่ได้จักกอดอย่านี้แต่หลงปู่มันดู ก, กับลูกกับหลานหลานพูดึ่งสอนบ่าได้อยากเลียน นักเรียนก็ซื้อนังสือหายนักรัมตร่นักรัมโทษนักเอกประโยคสามประโยคหกชื่อว่าหายวัดรพระสันลูกผู้มันไปเ่อนกับว่าเป็นทานักรัมตรีกับ่ได้พระสันลูกหลานสงฆอลูกหลานบ่ได้พระสันกับสงร์ผูกอื่นนั่นพ่านคนก็ไใดผู้หนึ่งกับยังไข้อยู่พระสันเพื่อนว่ากับ่ได้รักลราวราสันนิสัยนี่สงฆ์ขอพี่น้องบ่ข้นพรันเพื่อนว่าโตก็บเท่ากันบ่ได้บ่ได้จักก้นลูกหลานบ่ได้น้ำจักก้นข่แตกุญหลาย มึนร้ายว่ากินเรามาอยู่นี่มมนนช่วงนั้นแตกเวดเป็นยังว่าวยาบเอะว่าพว่าพิดสัมมากรรมมัจวาจาบอกว่ า, า่เลยเว่าอยางไรทั้งจิตทังธรรมม่ม่เกแต่น่าฉีกไปน่ะอื่นสัมมาวาจ า, า์ชอบคือ เ, เว้นจากว่าจิตจีทุจริตสี่มันบ่าพิดบอกไปว่าพูดเท็พูดเสียดพูดามยาวพูดเพ่อเจอมันว่าพิดอกไปว่าว่าพิษแล้วไม่เกิแต่น่าไปทั้งนั้นเลยพระอะไรพูดไม่สํารวมบอกไว่า สำรวมเพื่อให้รู้แจ้งเพื่อให้ถิงศีลเถิงธรรมเพื่อให้หูวจักอัตมาภาพอัตมาแพีบและรถเมฟจะภาพยุบไปก็บอได้ <c oughs> พื่นึงไปขึ้นเทศวัดนี้อัตมาพราดมาสั่นโอ้ยโต๊ระรถหัว่ะจิตใจล่ะโตกับอะไรพระษาการหรอกอัตมาพรารพดมาส <c oughs> ั่นเพื่อนว่าเนีเพื่อนบอกพระโลกกับหจัก เนให้เลื well. ่อมใสว่าเลื NO ่อมใสเนีให้ยินดีว่ายินดียินดีพระพุทธปฏิบัติประสงค์หมดสุดตัวพราะพรุทธประธัติประสงค์ยังในใจจะคล้องอ่ะอยู่บนอื่นก็คองไม่ได้อืมอยู่ในใจจะคล้องอ่ะจะคล้องเอาไว้หันตัวสู้ไปพูดจะก่อสู้ได้ยังมากว่าสันได้พระพุทธปฏิบัติประสงค์แล้วว่าสันสู้เอายังไปเอาพระพุทธประธัติประสงค์ไปน้ำเอามากเอาพระพุทธปฏิบัติประสงค์มานึ่งยู่ยใสก็ยุ้หัวใจในแล้วว่าสันเล้วไอ้กระเงงตาจะกระอของมัน้อยู่บนอื่นไห อนิยตธรรมเนี่ยที่ตัวนารออยุจะสิจะของ ห, ห้าเหลี่ยมไซพระพุพระธรรมพระสงฆ์ําไหห้าก็กวดเบื้องฐานวาเป็นสันทิษทีโลล่โก้ด้เผยจะเห็นต่างกับพรได้ด้พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นเองเนี่ยสอนให้เหลื่อมไสเองเป็นแต่เพียงเนะนํามาซื้อวันเมื่อเหลี่ยมไสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ะเทากับว่าเม่เหลี่ยมสซจาของอะไรยะว่าันจของมึนเป็นคนหมดผนข้างสิพระพุทธบุตน้ำเพินกับพระพอสิได้ รถโมเหลี่ยมใส่เนี่ยพระพทธารรมประสงค์เรียกว่าคนหมดนขนงแมนบ่นั่นคนโมเหลี่ยมใส่เนี่ยพระพุทธธรรมประสงค์เรี๋ยวาคนเปลี่ยนกายเขาว่าไงวัดเขาว่าหัวจักบ่นั่นนั่นนั่นนั่นขนโมมีผ่ามีแพร่งถือคนมมอธิษฐานถึงพระพุทธธรรมประสงค์เดี๋ยวขคนประมาทเจ้าของประมาทพระพุทธศาสนาก็ประมาทเจ้าของเพราะพระพุทธศาสนาอยู่นเจ้าของเนียอันนี้ทไมอีิโตนะโะ บ่อใดอยูน่นามนอื่นเนียปฏิวัติพระพุทธศาสนากับปฏิวัติเจ้าของปฏิวัติศีลกับปฏิวัติเจ้าของอะเนี่ยเว้นซัวทํามดีก็ทํารหไรเจ้าของเฮ็ดให้เจ้าของก็ยังไม่จะเฮ็ดจะไปเฮ็ดในผีตัวใดสัดส่นนั่นนั่นเฮ็ดน้อยเมื่อเฮ็ดร้ายเมื่อใดก็เฮ็ดน้อยที่นั่นนั่น น, น, นั่นขีนนนน้แตกกว่าสมัคร ห, หนึ่ไปไหนเนยเพิน่น่ะไเด็เพิ่นเกียรตบ มันสียาขี้ซ่าไอางพระพุธทธศาสนาปัญาอะไรเดียเนี่ยมันอยู่กับใจเพื่อสีว่าจะกิจะให้เป็นเขาลง่งเร่งเสี้งมาสันบอกสามารถที่ว่าจะกิให้เป็นเขาลงส่งเร่รกกเเงเส้งมาสันบอกปัญญาอไรเป็นเขาลงเส้ง่งเส้งมาสันเมื่อกิอยู่ในหัวใจมันเชือว่าังไงสรสร้างองอก ศีล <pouch. S 2> ัก็ยุบนีสมาธิก็ยุบนีปัญญ videos, un, ỉ, terrain, chilling, าก็ยุบนีวิมุติก็ยุบนันมีมัดก็ยุบนีนั่นแหละวอเชยงสิไก่ทะเลาะสองจิงน่มาจิงนังพาไก่กระโดดเข้ามือกูว <FO> ่าเห็นเนี่ยศีลนั้นก็ยุบนีสมาธิก็ตั้งมั่นต้องนีปัญญาก็รอบรูปเพบ่นพ่อแม่เนี่ยมันกับแยนสอดจ้วงขันปัญญาเนียสั้นพระสวัสดิ์บัณฑ์ก็รอัรูปบหนึ่งก็เป็นศีลสั้นนึงเป็นสมาธิสั้นหนึ่งปันปัญญาเนก่นกั ปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาสั้นพระจักขาข้ า, า, ามีก็เป็นศีลสมาธิปัญญาชั้นหนึ่งอีกนี่โกงเกินไปศีลสมาธิปัญญาพระอหันก็นบรอบอยู่ในนี่บัดเนี่ยคลามโลกอยู่ในนี่บัดเนี่ยเรียบร้อยัดเนี่อกอสั่ว่าได้มาสิอยู่ในตู้ในหีบออนอื่นหมดเอันนั้นตำหาบอกกันคือตำหนายานะพ่ายตำหนาไปเสียใจเถือเอสียพ้อสมบูรุเอาถงองันสั่นอันนั้นตำหนาใ่หรอเพิ่นบอกคะข้าสอนจะระบาด มันเป็นค้าสอนของเอ้าตถาคตพระพุทธเจ้าพูดว่ากันไพมากอันไหนก็เรือกเอาตัวมักเป็นพระโสราวันก็ให้มีสินหาบอลลูนเราบอกมักเป็นพระสักขะาข้ามีก็ให้สินหาเรียบไปก็นั่นเองมักเป็นพระอนาข้ามีก็ตัดราขาสติอย่าไปเสพไปสมกันส่นตัวเห็นว่าเสพไปสมมันไม่มีประโยชน์มันยังเสียหได้เห็นว่าโลกก็โกรธ มันมุ้ยเปิดหดจังสิละได้เห็นเหามันยังพ่อไส้พอซอยมันกระระบได้แล้วถือว่าัางไรซะน่ะนั่งาสิตเต็มโตัวยุสุขอ น, นไปทางไั้นข้อนไตพิรกยังไงยังไงยังไงไปไตรไปว่าสามศีลสมาธิปัญญาไตสิกขาไตสิกขาสิกข า, ขาไม้ความกินความกว้างกว า, วาสิกขาบทซิกขา บ, บทคือไม้บทหนึ่งหนึ่งยดลงมาล่นลงมาหาใจ 8มือทพระธรรมขันติยน้งมาหาใจนี่ขันโมยน้องมามันกับอะไรล่วโมเข้าใจล่ะสายไฟออกนอกแรงน้ำทานไฟสายบางรูมันที่สุดเป็นหมแรงน้ำแสงตะเวนบางรูเมันี่สุดเป็นมนบ่อนอบเขามาเนี่แรงน้ำจีบบางรูกขาไม่สุดเป็นับบ่อนอกเขามาเนี่นัศีลจะมหาศีลจะไฟนอกไ่ได้แล้วมหาอย่างนี้สมาธิคือตั้งมันกับมันพูนี้ตั้งมันในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวันมันสมาธิบสกศีลานูสติและลึกถึง ศีลของตนพุท ธ, ธานุสติได้ลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีนพระองค์และทรงเก่กคุณกผู้อื่นธรรมานุสติได้ลถึงคุณกรรมธรรมสังฆานุสติได้ลึกถึงคุณของพระสงฆ์และลึกถึงคุณของของพระพุทหลกมันกระลมไปถือพระธรรมประสงของเก่าวางท่นขอ ง, ขอ ง, ของเป็นไมสามเกี่ยวความกันพันเข่าเลยโยบันเดียวเด้อเอาวันนี้ให้มันเรียบสักกั น, นก็กน้นว่ตถุมั่นกรไปว่าได้รกระตาเนี่ย้างออกตั้หูเคื่อกันเอาก๊กหูกว่าดี มันก็ตัํมไปบ่ได้คือกันทั้งเลี้ยนะ่ะตันมได้หรือโซเมอร์เนี่ยเพิ่นซื้อเอาของมเพราะผ่มีหกแม่บอกเขียนตัวกอว่าเปลี่ยนจะเขียนตัวขอเป็ี่ยนยังไหแต่ตัวกอก็ยังคือว่าได้สีอ่านได้ยังไหนสเขียนได้ยังไหก็เขียนตัวกอเป็นกัตัวขอเขาจะเปลนจือตัวกอก็าจะคจือว่าได้ก็จะเขียนได้อ่านออกยังไงสั่งสั่งได้คือกันเลี่ยคว้าวัดเบอรก็ยังเวลาเห็ุยังไหมันยังจะเปิดส่อันทาสั้นสูงมันก็ได้ตั้งจต่ เพี่งสร้างแกงหูหูหรืออะไย่างนี้ศึารนั่นกับปจักษ์ปัญวา่านี้ค่อยางไ้สูงก้นนั้นบคคลเหตุการณ์ค่ะอยาไจะสามนั่นกับกับบ่าวอือบุคลนว้บังคับกันคอยางไ้สูงก้อนนั้นบุควรเหตุการณ์ค่ะอย่างไ้ทำหม่าสูงก้นนั้นย่กุศลบนสูงก้อนนั้นเวลร่าไม่หนอยเนาะหายใจเข่าบ่ออกก็บอกว่าตายห้จะเขาบ่ออกก็บอกว่าตายหาจะจออกบ่เขาก็บอกว่าว่าตาย ชีวิตกูนี่จักสี่มือไหนละเนวะสั่ายไม่หลไม่ลอยเอาไปนั่งมาได้สันกูที่ตั้งใจเอาธรรมะตามชักติกำลังของกูสันเรื่องว้าวัดเบอบบอกเบี้ยกูชีวิตันย่พอไอ้แม่กูเลี้ยงมากบ่ไในมี่หรอกสันเสียไม่งูผุนกสาวหน้าตะเกียกอยังีเลี้ยงกูง่ายสันกระเศ้าใชหรอวะคันว่าเศ้าอันนั้นมันไปคัดของตอมันไปคัดของคอต่อไตสนะคมเนี้เมื่อคัดของต่อไตชนคมมันคัดของต่อผู้พิเสษด่านคือสันหนัก นัน่นกูเคยทไม่เอาแต่สอดันสดเอาโย่งซี่บ อ, อว่าสันเลวอีดันทั่วเงเล่นตจเล็กตาผาเจลรวงลำเมิดเล็กหน่อยแลำ ง, งูลำควายพระองค์เจ้าเทศคุณหนูคุณหนูจะไปข้างงูทําไมเกรงมันกัดเขาเา้าว่าเจะฆ่าเออบุคคลรักชีวิตของตนแต่ไปเบียดเบียนชีวิตของสัตว์ผื่น ความสุขจะมีมาจากประตูไหนลูกหลานเอย๋ยเออหลวงพ่อเนี่ยพูดจริงว่าคอดตัพวพระองค์เจ้าปเทศเอาได้พระสวดาบาลนึกน่อยลง่วและว่านั่นนึกหน่อยลวงัวเพื่ อ, อนึนเองนนเข้าไปหาง่วนะาาในป่าซาในธรรมบดนกหน่อยอายุก็บปศุวรดอกพ่อของจักเลียงสาพ่อของจักเล่าหาง่วนฮัว่านะ มันคำในกลางผีปัสสาแะลยนอนนอดในผีปัสสาพ่อแม่ไปหาไปเห็นในผีปัสสาสู้มนอดอย่างนี้มันมืดเมื่อบ้านเ่ไะด้พราไม่แน่ต้ยพระสันเลยนอนนี่บวชผีปัสชาะตัวนี้สันสูมันบวญาติผีผีพระมาหาสูบอกรสันสองก้อนสูวรสันบวบวเห็นผีพระสันสูเห็นจังไรอยู่ภาวนาพวชโถอยู่ว่าสันนรับว่าฝันเห็นผีสัน พระวนาพุทโธอยู่วะสันได้รับค่าพุทโธน่าททนนรับไปกัดหงเหี่ยขึ้นมา ก, กันว่าเห็นพุทโธอยู่วะสันบ่เห็นอยาน่างได้หรอวะสันว่าคนทั้งหลายเลวมาเบอกยังในวัดเป็นแช่แช่พระพุทธเจ้าได้ยินพิญสืทั้งหลายมาบอกอย่างวะสันบอกเรื่องเด็กน้อยชมนั่นลแล้วค น, น, น, น, น, นหน่อยวะสันพาะวนาพุทโธพุทโธอยู่แล้วบ่เห็นผีบ่ม่อยังมาอันตรายเลกน้อยมันสร้างพระวนาเป็นมันน่รับอยู่ที่พระธาตุ ผู้ภาวน่าพุทโธพุทโธโยมุ่มิตรก็ไว่ตึงขึ้นนั่นเขาเป็นพระสวดาวันแล้วเลยวันหน้าพระพุทธเจ้าเขาเห็นตาขาชัดร like, ักษาประพฤติพิษในกาลในตัวเขาแล้วนั่นนั่นไปทั้งหนภาวนาพุทโธเพาเป็นอันตรายจักเถอะไปเครื่องบินเครื่องบ่อยก็บพราเป็นอันตรายไปน้ารถไฟรถย้อนก็เ่าเป็นอันตรายถ้าพัดเกิดมากก็เด็ขึ้นเครื่องบินเที่ยวเดียวท่านอะไรอ่ะสองเถอ คืนจะอุบัติมาหาอุดรอนก็ไปหากรุงเทพเพื่อนขี่ออกนอกประเทศพื่นตัวเร า, าว่ายใจตัวเราพาวาณนาโยเพื่อนอาจารย์ชิงท่องตายคู่มาตายอีกแล้ววะท่านตัวเราพาวาณนาอยูโอ้ยตั ว, าาวเ่าเคยขี่ก็เท่อเคยขี่ตะเกียนทางห้างนั่นแหละ <c oughs> รับสายขาตึกเสิร์ต พาวนาหน้าพูดโท้เลยพระวาวนาเนี่เออตายเรื่องนี้เนี่ยพัชชะเสืออีกแล้วมักายไฟสูงอะไรมันตายพัชว่าอะไรตัวขึ้นยู้นี้คนกับวอาขวนพระในศาลทิ้ทองเ้ยบอกขวนเพิ่นเพิ่นบ่หอมเงเพิ่นตายบ่บ่หอมงเมื่อเสิตายเพรเป็นกรรมฐานได้แทพัจะไปขึ้นให้ยั้งเลย่านขึ้นเครื่องบินผู้ขาได้แก้แก้ประทับขเป็นจริงอ่ะโย่ คนท้าเกิดยุโรปว่มาตายเโลกสจไปตายเชสไส์พระท่นเกิดอยูุในมนุษย์โลกว่ามาตายใชมนุษย์โลกสะไปตายเชสไส์พระท่นนี่ขอนึงว่าขอนึงอีกโกชัญญาบรรณังสุเวกความตายมาถึงแล้วโอซากาเชตุงทเนนะว่าบุคคลความตายมาถึงแล้วไม่มีท่านผู้ใดจะถ่ายถอนความตายได้ด้วยเวทมนตร์ได้วยรัพย์ดีเดียขอนึงว่าขอนึ่งอีกคนว่าตายเชลโกรจะไปตายเชสไซสพอเกิดยุโรปแล้วทนี่ขอนึงอีกอันนี้ยังโมแมนปัญใดวะ มูเขา้าพนงยักษ์มาเสีตายมูเขามาเกิดแท่งหง่ะอันนี้มันแห้งหลายตัวมันแห้งแห้งหลายตัวเ จ, จ็บตี๋แต่พูดขึ้นเครื่อ ง, งบินใช่ไหมมูเขา้าพนงักษ์มาเสีตายมาเกิดแท่งหง่ะนะข่าวรับาลนี่วะเพื่ อ, อนหารเพิ่นหงจักษ์ก็ินสีตายเพิ่นมาเกิดได้วะงวงสินะเพิ่นเบื่อเพิ่นเบื่อโลกเบือ่สอสงสารวะเข้ า, น, า, า, า น, นี่ยพเบื่อเมื่อไงมาเกิดสตับ้านเห็นยนไะผ่ในวาราสงสารวะ เหไปในวันตางสารยางเต็มที่ผืนไม่มีเนวเพิ่มจังเม็ดผ่นเียวไปใสเห็นจะรุมทานเพิ่งหมดเยาไปใสเห็นจะกองทุกข์ผนปานนั้ น, นมันยังสินายควมหลงเจ้าของท่านว่าจะกล้ากับนายสร้างว้าสีแดงมดขึ้นหัวมือเศร้าจนคุ้มผมคุมขนรวมัน ล, ลนกระตามอดเขาด่าอดน้เทะเลก็สร้างขันยั่งบบท่านยั่งเสียดายอยากลวงละเมิดขาสัตรัพย์ชีวิตเจอ ยังเสียดายอยากลองละเมิดสินหายยังยังเสียดายอยากเลีนเลขเยะจ้างกบ่ะเบนท้ำชาตัวโลกโลกโลกก็ื่อนี่แหละนะอันนี้พ่อยเป็นทังสั่นพ่อเป็นทังสั่นกักขวดเบื้องจักของเราบอกสิเอาพยานใสพยานเกตนาไม่มีนี่เรินไว้ใจพุ่มดักกินดักไกได้พ่อยเป็นทั้งสั่นหรือว่าเป็นทังสั่นให้เป็นสันทิษทิโกกวดเบื้องจักรของเองอันนี้ใส่ผู้อื่นว่าเป็นพยานมันก็ได้พยานเกตนาไม่มีในทางพุทธศาสนาพยานเกตนาไม่มี ในทางพุทธศาสนาแต่ผู้ดักจิต ด, ดักใจได้นะั่นเพิ่นกับว่าไห้เอามาตัดสินสมพระพุทธเจ้าเพราะมันเสียโกงกันทั้งน่ะแม่พระพุทธเจ้าดักยิต ด, ดักใจเลยพระพุทธเจ้ากับว่าตัดสินด้วยดักยิ้ดดักใจเลยเส้นพัทธพมันนบุตรเขาหาว่าเพิลนประทํากาเมศสุเมศชัยาจานกำนา่งเม ต, ตยะพิชซุนีอยู่ตีนเขาคิดจะโกดูสั่นเออในเวลานั้น ข้าพเจ้าแจกอาหารให้พระอยู่ในเวลูอันสวนไม้ไผ่ข้าพเจ้าไม่ได้ไปธรรมภามันเอาฤกษ์พระพุทธเจ้ามีซ่านไม่ย่านโยมบ่าตัดทามันเพิ่นไปตัดเอากัำเพิ่นไปบอกอาิกรอั้นน่ะมันกติสําฤทกันได้แต่เฉพาะพระพุทธเจ้าห้องย่างรู้แต่พระพุทธเจ้าห้องตายไปแล้วก็บอกเพิ่นที่มอบวิธีระงับอาชกรให้สงฆ์ให้มันเป็ี่ยนธรรมเพื่อนย่งบ่ไปตัดสินพระพุทธเจ้าเพื่นหุงตักด้วย ก็ให้สงตัดสินงตะก่อนเพราะมันเป็นต้นบรรยัญญตดติเนี่ยว่ามั น, นบรรยัดแล้วมันเป็นต้นบรรยัดิอะในเวราะนั้นข้าพเจ้าแจกอาหารให้พระอยู่เวลุวันสวนไม้ไผ่ข้าพเจ้าไมา่ได้ตีนไปตีนเขาจะกูดไม่ไ ป, ไ, ปไม่ได้ไปตีนภูเขาคิดจะกูดเพราะพระเวไนยมียเนี่ยจงถามปีเดือนวันเวลา ต้องถามถึงฐานะที่ทำและเหตุที่ผู้บอกให้ประกอบ ก, บกับการและสถานที่มันมีด้มันไม่แ น, น่วิวาธายกนก็ไม่ว่าแต่เท่านั้นแหละอายุข้าพเจ้าเจ็ดปีข้าพเจ้าไมา่ได้ฝันไปในทางกรา ม, มารมเลยมันกระถูกโยผนสำเร็จพระหันต์ตั้งอายุเจ็ดปีดีอายุเจ็ดปีมาข้าพเจ้าไมา่ได้ฝันไปในทางการ ม, มารมเลย ย่าพูดเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าเลยเออถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วพระพุทธเจ้านะแล้วก็ยกล่องของโจดเสียจำเลยเป็นผู้มีสติภัยบูรุณไม่เป็นฐานะของจำเลยที่จะทําการละเมิดดังที่โจดกล่าวหาสวดกรรมวาจาจารไว้ให้สติวินัยแล้วก็ยกฟ้องของโจดเสียพระพุทธเจ้าฟ้องกันเสมอเสมอ <ười> พวนั right, ่นเป็นทังสัตวพวกนี้เป็นทังสี่ฟ้องกันเสมอๆเสมอพระพุทธเจ้าในยุคกลางเลยกับยุคสุดท้ายใกล้สุดท้ายยุคต้นม่าไปยงยุคต้นปราชิกศีกับพระทันมีสังฆาธิเศษสังฆของพระท่นมีพระพระส่ังดันเป็นพระบางมาเนี่แต่ศาตรก่อนเออข้อมเดียวกับสมเร็จพระหันสมเร็จพระโสดาบันสมเร็จพระจักรทาข้าม่อำนาจข้มีรถปราชิกศีกระทานมีสังฆาธิเศษสัรท่านมีพรท่านนบรัติเลยพรเอยควอมเดียวว่าชาติที่เป็นตัาชเป็นขามานาเป็นขา่ ธรรมาจากักกะปตระสูตรแต่มันหักเป็นมันหักเป็นศีลสมาธิปัญญ า, าอยู่ในตัวสมาธิทีสมาธิัธกะโปรงสมาวาจารกับมันตัวอาชีววิยามโนสติสมาธิเนมันเป็นไตสีขาวอยู่ในตัวรเลยเนี่ยครับแต่คาว่าบัญญัตเป็นกอรคือ น, นั่นอันนี้ละเอียดปัญญาพุทธศาสนาบอมีบอมีบอมีบัญญัติกรรมและผลของกรรมกระเถิกเพงเลยไม่ได้ผิดเลยภาษานี่บุตรบอกขนาน่าเป็นกรรมมากยังไงเน่ย สางบา ร, รมีมาเท่าไรแ น, น่จักกระสงไข่เทวทัศน์ ส, สางมาเท่าไดพระพุทธเจ้าสางมาเท่าไดสาวกสาวเกาซุ่มเนี่ยนั่นมีมนจังหมื่นจังแสนจังลา้านจังโกจังตื้อติวสลิวติวเป็นเนียวสร้างสามปีเยาวบว อ, อกขุนเพิ่นก็นยังหูวจักเมิดพระองค์เจ้าหลืว่าของสั้นว่าอันศาสนาอื่นไผ่หัวจักมีธรรมข่าอมมืออยู่นั่นตอะนั้นสช่าของอยงงองสิงแยงท่านศาสนาพุทธไม่จักบัตาย เอาแล้วเปล่าองกลัวบปล่าไปเอาหนอภาวานาเพื่อไม้อยากพ้นทุกข์พรอยากพ้นทุกข์กเร็วไหนภาวนาไหนมันเบื่อนายในวัาสงสารไหนมันเบื่อนายควบหลงจากของพรอบก็ร่มห้ยใจเขาออกพี่เจ้าหาทุกข์พรอบก็ร่มหอยใจเขาออกอย่าไปเนเลขคันเรียนเลขก็จ้าก็ะเ ไ, ได้ย่าไปกินลาบเดิบกินลาบเดืบกับพิษย่าไปกินก้อยไปกินก้อยกับพิษ พิษไตชนาคมย่าไปกินหมากินหมากับพิษเพื่อได้กินหมาเนี่ยพอได้ละมักผลเนี่พานรีงมัดไข่ข้อดึงก็จะไปกินงูก็จะไปกินเสือคงเสือเหลืองเสือดาวจะไปกินพระพุทธศาสนาหา้ามเนื้อคนก็นจะไปกินนั่นค <c oughs> ่เพืใหเคียดเน่ยเอาใส่รถย้อดรถไฟไ ป, ไปขาย เพราะเนี้ยพลัดหมดหลกแจ้ขึ้นมาอีก็ไม่ผู้สื่อเลอ้วพูดไม่สภาพพูดไม่แพะละพูดไม่สภาพน้ามสกกางคุนขอกนอที่พระเจ้าพระยาพระเสง่การจิตใจเฮาเป็นท้รมเลแต่ว่ามานยาตเฮาบางามเยีกยวว่าน้ามไกกางคุนขอกน้ามไ้ขอกคุนกลางนี่หมายความว่ายังไง ว่าม้วนพระอรหันตโสตอ่อยอินจะทัางนยยั่งฝันว่าเป็นถ้ำนะทำเป็นที่ตั้งให้เป็นที่ตั้งแห่งความให้และเลื่ถึงเลือกสารานิยธรรมสาราตัวนี้เป็นตัวตัวรอเรือไม่ใช่สาราตัวตัวตัวตัวรอรีงเรียกว่าสารานิยธรรมมีหกอย่างหนึ่งเข้าไปตั้งกายกรรม ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามนเณรทั้งต่อหน้าในรับหลังคือช่วยขวนขวายคุณธรรมของเพื่อนด้วยกายมีพยาบาลภิกษุไข้ด้วยจิตเมตตาสองเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามนเณรทั้งต่อหน้าในรับหลังคือช่วยขวนขวายคุณธรรมของเพื่อนกันด้วยวายจาเช่นกล่าวสั่งสอนเป็นต้นด้วยจิตเมตตาสาวเข้าไปตั้งมนโนกรรม ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิกษุสามนเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกันข้อสแบ่งันราบที่เกิดมาโดยชอบทมให้แก่เพื่อนพิกษุสามนเณรไม่หวงในบรดีพอกรรมเพาะผู้เดียวข้อห้านักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพิกษุสามนเณรอื่นไม่ทาตัวให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น หกมีความเห็นร่วมกันกับเพื่อนพิกษุสัมเนยอื่นไม่วิวาสกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกันทำหกอย่างนี้ทำพ่วเพื่อแค่เป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันและกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงกันและกันเป็นไปเพื่อความไม่วิวาสกันและกันพระบรมศาสนาสอนไม่มีที่แสงเลยสิีงไหนที่ท่านองค์ท่านไม่สอนไม่มีเลย ท่านรวมมาไหว้ในที่ทำหมวดหกเรียกว่าสารานิยธรรมราตัวนี้เป็นตัวรอเรือไม่ใช่สาราที่ทำไม่ด้วยไม้มสารานิยธรรมนี่ตัวนี้เป็นตัวนอนเนรที่พวกพระเนนพากันดื่มซะเวลาเลิกกันในต่างคนก็ต่างหนีลำบากนะ่ะดื่มซะเวลามีผู้เอามาให้ถ้าไม่มีผู้เอามาให้อย่าไปขอ มีพวกมาให้ก็าพากันดื่มซะได้เย็นไหมทาานได้เย็นไหมชัดไหมเนี่ยโอ้คนไม่ถึงสี่รอยเลยเนี่ยหรือไม่ถึงสองรอยเลยเนี่ยถึงไหมเนี่ยเหลือทางพาทางเลนเหลือสองร้อยนะเนี่ยจะมีมากเท่าใดก็มีธาตุสี่ินน้ำไฟลมประชุมกันเมือนกายเนี่ยว่ารูปจะมีมากเท่าใดดวงหาไทย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 ที่นี่กุศลและอ ก, กุศลก็ทรงอยู่ที่รวงใจของเราแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองไม่ใช่อยู่ในที่อื่น